ยอมรับต้องงาลางความเจ็บช้ำมาเป็นเพื่อนใจชงชะตาเลยคิดไว้คงยอมรับความจริงความผิดหวังดังใบไม้ที่ร่วงลงสู่พื้นดินฉันก็คงโอเวลาที่ผ่านไปคงไม่ย้อนคืนกลับมาสิ่งที่สู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 รักวันรักเธอที่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 ฉันยังหวังว่าสักวันรักเธอที่หาดังไฟฟ้า และโชชตาก็เล่นตลกกบมีครั้ง รักก็วันนี้ฉันเพิ่งจะรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนแต่ฉัน